พระอาหารหันต์ยังร้องไห้ยังโกรธอยู่หรือลูกศิษย์หลวงพ่อซึ่งเป็นนักปฏิบัติได้นำกำาไรยกเลี่ยมทองไปถวายบูชาพระเจดีย์ที่บรรจุพระาธาตุพ่อแม่ครูอาจารย์แล้วเกิดปีติร้องไห้สะอึกสะอื้นอย่างรุนแรงมีผู้ตำหนิว่าปฏิบัติมาขนาดเนี้ยทำไมยังขาดสติเกิดปีติรุนแรงแบบนี้ จึงมากราบเรียนถามหลวงพ่อว่าเป็นไปได้หรือไม่ที่ผู้ปฏิบัติจะเกิดปิติรุนแรงเช่นนี้หลวงพ่อให้คำตอบว่าเป็นไปได้พระอรหันต์ก็ร้องไห้ได้การร้องไห้มันเป็นกิริยาของกายต่างหากเล่าไอตัวร้องไห้มันก็ร้องไปไอตัวที่นิ่งเฉยอยู่มันก็นิ่งใครไปทักอย่างนั้นแสดงว่าภาวนาไม่เป็น พระพุทธเจ้าปรินิพานพระปุตุชนโศกเศร้าเสียใจพระอรหันได้ธรรมสังเวทธรรมสังเวทนี่แหละมันทำให้น้ำตาไหลไม่ใช่ว่าพอสำเร็จอรหันแล้วมันจะไม่มีอะไรมันก็เหมือนกับปุตุชนธรรมดานี่แหละแต่สิ่งที่จะให้ท่านเกิดกิเลสเมื่อก่อนเนี้ยมันหมดไปแต่ความตื้นตันความปีติต่างๆนี่มันเป็นองค์ประกอบของสมาธิมันก็ต้องมีอยู่เป็นเรื่องธรรมดา อาการปีตินี่เป็นอาการที่จิตได้ดื่มรสพระสัตยธรรมมีคนถามหลวงปู่ดูลว่าหลวงปู่โกรธเป็นไหมหลวงปู่ตอบว่าโกรธเป็นแต่ไม่เอาอันนี้คือคำตอบของหลวงปู่ดูลคือมันแสดงความรู้สึกขึ้นมาเฉยๆว่าโกรธแล้วท่านก็ไม่เอาพูดที่เป็นพระอรหันต์จริงๆเวลาท่านกำหนดจิตรู้อารมณ์นี่ จิตก็ปรุงแต่งเหมือนเหมือนกับคนธรรมดาทีนี้ภายในสมาธินี่มันก็เกิดนิมิตขึ้นมาถ้าท่านรู้เรื่องอดิตชาติท่านก็แสดงอาการร้องไห้ออกมาร้องไห้ในสมาธิแต่ร้องไห้น้ำตาไม่ออกส่วนคนที่จิตยังไม่พ้นกิเลสพอได้นิมิตว่าชาติก่อนเนี่ยเราไปเกิดเป็นอันนั้นได้ไปทะเลาะตบต่อยตีกันที่ตรงนั้นพอรู้สึกอย่างนั้นก็ลุกขึ้นมากระโดดขมงโฉงเฉง ความรู้ของพระอาหารหันต์นี่ท่านรู้ว่าชาตินั้นท่านเป็นอย่างนั้นได้ทะเลาะเบาแวงกับคนนั้นคนนี้มันก็แสดงอาการโกรธเครียดขึ้นมาแต่ความโกรธความเครียดกับจิตของท่านมันแยกกันเป็นคนละส่วนเหมือนเหมือนกับบางครั้งที่จิตของเรามีอารมณ์เกิดขึ้นเกิดขึ้นแต่มันเป็นกลางเฉยเฉยสิ่งรู้เป็นแต่เพียงอารมณ์จิตแล้วตัวเองที่ไม่ได้ไปสวมสอดเข้าไปในเรื่องนั้น มันแยกเป็นคนละส่วนผู้ที่รู้ยังไม่ถึงแก่นพอรู้เข้ามาพับก็สำคัญว่าตัวเองอยู่ในปัจจุบันนั้นเช่นอย่างพระองค์หนึ่งเป็นหัวหน้าพระสามสิบรูปอุบาสิกาคนหนึ่งเป็นอุปถาคอยู่ภายหลังอุบาสิกาฟังเทศฟังธรรมจากพระเหล่านั้นแล้วได้สำเร็จพระโสดาบันพอท่านได้สำเร็จพระโสดาบัน ท่านก็ตรวจสอบดูพระของท่านว่าท่านองค์ไหนได้บรรลุคุณธรรมหรือเปล่าพอเสร็จแล้วก็รู้ว่ายังไม่บรรลุขัดข้องอะไรขัดข้องรสอาหารบางท่านชอบเปรี้ยวชอบเผ็ดชอบมันอะไรไม่ได้ตามใจมันก็ไปข้องอยู่ที่ตรงนั้นเมื่อท่านรู้แล้วว่าองค์ไหนชอบอะไรท่านก็ทําให้ถูกใจหมดพอตอนกลางคืนนึกขึ้นมาอยากฉันอย่างนั้น ตื่นเช้ามาแล้วนับหนักเข้าพระอายพากันไปกราบทูลพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็ถามว่าทำไมทิ้งอุบาสิกามาสิเล่าพระอุหน้าก็ทูลพระพุทธเจ้าว่าอยู่ด้วยไม่ได้หรอกคิดอะไรก็รู้หมดอายพระพุทธเจ้าท่านก็บอกว่าเขาเป็นมารดาของพวกเธอมาหลายภพหลายชาติแล้วมาชาตินี้เขานั่นแหละ จะช่วยให้พวกท่านได้สำเร็จพระนิพพานกลับมาอยู่กับเขาเสียพระทั้งนั้นก็กลับไปอยู่กับอุบาสิกาพอกลับมาก็สำรวมจิตสำรวมใจพิจารณาปัจจเวขณะขะจัดความชอบหรือไม่ชอบออกทำจิตให้เป็นกลางไม่ให้ยินดียินร้ายในรสอาหารจึงได้สำเร็จอริยมรรคอริยผลขึ้นมาลูกน้องได้สาเร็จพระโสดาบัน อุบาสิกาได้สาเร็จพระสกทาคามีไปไปมามาพระทั้งหลายได้สําเร็จพระอระหันต์อาจารย์ใหญ่สําเร็จเพียงแค่พระโสดาบันอุบาสิกาก็พิจารณาดูว่าพระเราสําเร็จแล้วแต่อาจารย์ใหญ่นี่สําเร็จหรือยังยังไม่สําเร็จอยู่มาวันหนึ่งภูมิจิตอาจารย์กําลังเริ่มก้าวหน้าจนได้บรรลุบุพเพนิวาสานุสติญาณ ก็ระลึกขึ้นมาได้ว่าในชาติหนึ่งพบหนึ่งอุบาสิกาคนนี้เป็นพันรยาของท่านและไปคบกับโจรพอท่านไปรู้อย่างนั้นท่านก็โกรธขึ้นมาอย่างแรงโกรธชนิดที่ว่าจิตกับอารมณ์แยกกันไม่ออกอุบาสิกาก็ส่งกระแสจิตไปเตือนระลึกต่อไปอีกชาติหนึ่งพระคุณเจ้าพอระลึกไปอีกชาติหนึ่ง ไปรู้ว่าชาตินั้นท่านผู้นี้ถูกโจรจับมันจะฆ่าอุบาสิกานี่ก็เป็นภรรยาของโจรพอโจรมันจะฆ่าภรรยาก็ขอร้องว่าอย่าไปฆ่าเขาเลยเขาไม่มีความผิดก็ถูกปลดปล่อยไปในเมื่อรู้อย่างนั้นก็มานึกถึงบุญคุณเขาความโกรธมันก็ระงับลงแล้วในที่สุดก็ได้สําเร็จพระอรหันต์ เพราะฉะนั้นเราโกรธด่าตีกันธรรมดานี่มันไม่สำคัญหรอกโกรธในสมาธิเนี่ยมันร้ายแรงที่สุดดีไม่ดีระงับไม่อยู่กรรมฐ า, านแตก